พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าสกัดกิเลสออกจากใจวันหนลวงพ่อ พูดจบแล้วแสดงกล่าวสมโภชธนิยกถาจบแล้วจะมีเทศอีกสักกันหนึ่งพวกเรานั่งสมาธิฟังหลวงพ่อพูดใน m อ3สภาคปฏิบัติทำให้จิตใจฝังลึกในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติคล้ายๆว่าเดินตามแผนที่ ปริยัติเนี่ยแปลว่ามีมีแผนที่อยู่ในมือแต่ปฏิบัติเนี่เดินตามแผนที่ในเมื่อดาบถ้าเมื่อเ ด, เดิพวกเราเดินตามแผนที่พวกเราก็มั่นใจว่าแผนที่นี้ถูกต้องอไปตามแนวแถวเขียนไว้ตามหนทางจริงๆ เรามั่นใจพอเราเดินตามแผนที่แต่ถ้าเรา ม, มีแต่อ่านดูแต่แผนที่เฉยๆอีกต่อไปภายภาคหน้าก็เลยไม่มั่นใจในแผนที่เอ๊ะคนโบราณเนี่ยเขาเขียนแผนที่โกหกหรือเปล่าฮะเพราะตัวเองไม่ได้เดินตามแผนที่ก็เลยสงสัยในแผนที่อีกเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดใน MP-3 สที่พวกเราจะฟังบอกว่า การปฏิบัติการเดินตามแผนที่เป็นเรื่องที่จะทำให้จิตใจฝังลึกเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่14อาทิตย์ที่14ทธันวาคมพุทธศักราช2005 157วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน1เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราได้ไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครู่นี้ต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทธทนิยกถาทำความเข้าใจในวันพระ อย่างวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีการกล่าวให้ฟังไม่มีได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังในหลายแง่ ม, มุมพวกเราก็คงจะไม่เข้าใจในเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็พยายามหาแนวทางหาเรื่อง ที่ได้ศึกษามาได้ค้นคว้าศึกษามาด้วยตนเองแล้วก็ได้ประสบ ป, ปการณ์มาด้วยตนเองแล้วก็ได้ศึกษาได้ฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็จากได้ฟังได้ศึกษาในพหลักหลักพระธรรมวินัยคือประไตรปิฎกที่ได้ศึกษามาในหลายอย่างจากนั้นก็ได้มาประมวลมา รวมหรือว่ามาสรุปที่ได้ฟังได้ศึกษาได้ประสบะการเหล่านั้นมาบอกกล่าวมาแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องๆที่เข้ามาศึกษาธรรมะตามหลังของหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิต ได้เคยพูดมาลูกกี่ครั้งได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่เรื่องที่หลวงพ่อจะต้องเอาแนวความคิดของหลวงพ่อมาขยายผลหรือมาแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจแต่พูดเรื่องๆ อ, อย่างอื่นหลวงพ่อก็พูดเรื่องราวเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องอย่างอื่นเรื่องกิริยามารยาทการเป็นอยู่สัมมาคาระวะหลวงพ่อก็พูดมากมายแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ลืมไม่ละเว้นเรื่องจิตตภาวนาจิตจิตตภาวนาจุดนี้แหละเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อจนี้ไปจุดไหนพูดไปเรื่องอะไรก็ตามก็จะไม่ ห่างเหินเรื่องว่าละเว้นในการกล่าวถึงภาคปฏิบัติจิตภาวนาเพราะเหตุไรเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาที่เราศึกษาไปทั่วทุกมุมในพระไตรปิฎกพูดอย่างนั้นได้ที่พระองค์ตรัสไว้แปด0มืนสี่พันพระธรรมขันก่อนที่จะออกไปจาก ออกมาเป็นแป0 0 0ืสพันพระธรรมขันนั้นจดุดเริ่มแรกนะจุดไหนไอ้อันนี้พวกเราควรจะศึกษาถ้าวัตถเลขทั้งหลายทั้งมวลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านออกไปจากไหนออกไปจากเลขตัวหนึ่งตัวหนังสือทั้งหมดที่เขียนมานะจนกอไก่ทึ่งหอน ก, หกุ้กออกมาจากตัวไหนเป็นตัวตัวแรกคือกอไก่ เลขทางหลายที่พวกเรานับถึงเป็นเอคัณ น, นานับไม่ได้ออกมาจากไหนออกมาจากหนึ่งอันนี้พวกเราให้เข้าใจว่าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนั้นออกมาจากจุดไหนพราะพระองค์ท่านไม่ได้พูดถึงจุดไหนจุดที่จุดใหญ่ที่สุดก็คือเริ่มที่พระองค์ได้นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพ วันเดือนหกเพ็นนั่นแหละคือทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจะว่าปุเพนิว่าสานุสติญาณอันนั่นล่ะนับหนึ่งจากนั้นก็จุตูปะป า, ปาตยานการมองดูสัตว์ตวโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายการเป็นมาของบุพกรรมของสัพพสัตวจวนสว่างเจ้าอาสาวกยญาณพระองค์มองพระองค์เอง ว่าใจดวงนี้เกิดมาจากไหนสิ้นสุดของใจนั้นสุดที่ตรงไหนมองดูแล้วไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมองมาถึงเงื่อนต้นก่อนเกิดมาจากตัววิชาแต่เงื่อนปลายนั้นทางว่าพวกเราไม่กําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจา ก, กจิตใจแล้วใจดวงนี้จะเกลี้ยงไปอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดจุดจบของ ดวงวิญญาณนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนไปเรื่อยๆสูงสูงต่ำต่ำล่มุ่มรอนๆอนใช้พใช้ชาติไปเรื่อยยา น, นาวนานเท่านานยาวเท่ายา ว, ยาวเพราะนั้นพระพระองค์ได้มองเห็นจุดนี้แล้วพระองค์จึงได้ดูว่าที่ทำให้มันจิตใจวกวนเวียนเปลี่ยนไปในภพชาติต่างๆนั้น ด้วยเหตุอันใดพระ อ, องค์ก็ได้พิจารณาในวันเดือนหกเพนนนั้นแนหะจวนสว่างพระ อ, องค์จึงรู้ได้ว่าใจดวงนี้มีกิเลสราคะโทสะโมหะและจะทําวิธีอะไรมันจึงมีสิ่งที่จะมาแก้เพราะมันมีกิเลสราคะโทสะโมหันั่นก็คือเป็นเหตุให้ทุกเกิดเนึกว่าสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิด แล้วจะเอาอะไรมาแก้แก้ทุกนั้นท่านก็ว่ามรคฆปฏิปทาคือหนทางที่จะนํามาแก้ทุกนั้นก็คือมรแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาส ม, มาธิเป็นสุดท้ายอันนี้ก็คือที่พระองค์ได้นําพระธรรมมาแก้ไขพระองค์ก่อน ในเมื่อพระ อ, องค์ใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญามรแปดแก้ไขพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็มั่นใจว่าเราได้ตัดสู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ประกาศพรษาศาสนาพระธรรม 84% มืนพันพระธรร ม, มขันธ์ก็ออกมามาเรื่อยเรื่อมากมายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้หละคือ ถ้าเราจะพูดไปจุดไหนทีนี้เราถ้าเราไม่พูดถึงจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่ะพูดยังไงก็ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดพูดยังไงมันกเ็เก่าไม่ถูกที่คันพูดอย่างงั้นได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายท่านพูดไปที่ไหนท่านยัวักกีเลสหลงตานยะกีเลสกีเรสมันคือมันเครื่องดองสันดานที่ทําให้จิตใจของเรา ไปในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านจึงให้สอนวิธีการนั่งสมาธิ น, ะนั่งที่พระพุทธเจ้าพานั่งนะท่านทำยังไงท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทำกายให้ตรงจารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าร้วหายใจเข้าหายใจออกร้วหายใจออก แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเลยที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ต่างองค์ก็ต่างได้รับผลในการนำมาประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติในยุคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านก็ให้นั่งสมาธิหามุมสงบไม่ใช่ว่าหางมหามุมที่วุ่นวายเวลาเดินก็ไม่ใช่ว่า แต่าภายบาทเดินเข้าไปในตลาดทถนน่ผู้คนเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหาหมุมสงบที่ไหนป่าช้าที่ไหนทํำที่ไหนภูเขาลอมฟางที่เปล่าเปลี่ยวอย่างวัดของเราคนนีน่ตามกุตติฤทธิพักทางหลังวัดที่ไม่คนไม่พุกผ่าน เพราะที่ของเรากว้างกว่างเราเลือกสถานที่หามุมสงบจากนั้นเมื่อด้มุมสงบแล้วเราก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมวิธีการเดินกับอย่างที่หลวงพ่อได้สาธิตหรือบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีนั่งสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ทีนี้เมื่อนั่งอาการ การของนั่นสมาธิอาการของเดินยงกลมเข้าที่แล้วเราก็ดูใจของเราตัวนั้นเองนะถึดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันปรุงไปทางไหนมันปรุงไปทางการมกิเลตใช่ไ้มโดยมากถ้าผู้ยังน้อยหนุม่มพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่าเราเป็นตัวอย่าง เราเคยผ่านมาแล้วเราเคยเป็นพระน้อยพระหนุ่มมาแล้วเรารู้จักหมดทุกอย่างแล้วเพราะนั้นเรารู้ว่าจิตใจของช่วงนั้นเป็นอย่างไรไม่มีอันไหนอันไหนที่จะดียิ่งกว่าสำหรับตัวของเราเองคืออดอาหารอดอาหารถ้าผ่อนอาหารมันยังช้าอยู่ต้องอดอาหารพออดอาหารค่อยๆกขว่าตัดทอนกำลัง ทางร่างกายลงในเมื่อตะทอนกาลังถังร่างกายลงจิตใจมันก็ปลอดโปร่งขึ้นมาเพราะว่าร่างกายไม่ทับจิตใจเพราะฉนั้นจุดนี้ให้พวกเราสังเกตการประพฤติธปฏิบัติทำอย่าไปทําแบบไม่คิดไม่อ่านทำอย่างไงทําอย่างเก่าทำอย่างไงวันกับวันไหนวันเก่ า, ไ, กาไม่ใช่ให้สังเกตที่ท่านบอกกล่าวอย่างนี้อาหารประเภทไหน เป็นอาหารที่เสริมกิเลสไม่ใช่เห็นแก่ปาาแก่ท้องไม่เค่เห็นแก่อยู่แก่กินเพราะเรามาบวชในพุทธศาสนามาเพื่อชำระใจนีนะ่อันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์การวางตัวและการประพฤตตนเดินจงกรมนอนน้อยเป็นผู้ระวยงระวังอย่าไปยินดีในการพูดการคุยอย่าไปยินดีในการสนทนา อ่าไม่รู้จักการเวลาเพราะว่าเรามาปฏิบัติเรามาภาวนาหาหมุมสงบอันนี้คือสําหรับพวกเราทู่มกู้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายอันนี้ก็คือแนวทางแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนผมเองหลวงพ่ออินเองก็เคยทําอย่างนั้นอย่างที่ นี่ลงองค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะสมัยนั้นคู่คนก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องแต่ท่านก็ไม่ให้คู่คนเข้าไปพุกผ่านวุ่นวายภายในวัดในภายในพระสงฆ์ที่พักพาอาศัยอยู่ท่านก็ให้พระภาวนาถ้าใครอยากจะไปบางทีท่านก็พาไปบุคคลสําคัญเข้าไปกันนั่นโดยมากจะไปดูที่ให้อาหารกระแต ก, ะกับกุติลงพ่อนั่ยนะ หลวงพ่อจึงพยายามกุฏิของหลวงพ่อพยายามให้สะอาดตลอดเวลาเพราะว่าเผลอๆหลวงตาพาคนเข้าไปาไปดูร้านกระแตคือไปดูที่พักของพระพระท่านอยู่อย่างไรทางเดินจังกรมอย่างไรที่พักของพระอย่างไรคล้ายๆกับท่านก็าพาไปาให้คนไปดูคล้าัาานที่อยู่ของพระสงฆ์พระกรรมฐานอยู่อย่างนี้ อันนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหลงตาเข้าไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนที่เราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ถ้าหากว่าท่าจะให้คนเข้าไปท่านจะไม่ให้เข้าไปเดินผ่านพระสงฆ์เข้าไปถ้าเว้นเสียแต่ท่านจะพาบุคคลสําคัญเข้าไปในเมื่อเห็นท่านเข้ามาเราก็หลบไปทางอื่นเราก็ไม่ได้อยู่กุฏินะพอเห็นท่านเข้ามาแล้วก็หลบไปทางอื่นให้ท่านเข้ามาเดินดู กุติที่พักของพระจากนั้นเมื่อท่านออกไปแล้วท่านยังค่อยเรากลับเข้ามาหาที่กุติของเรา น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านแนะนําท่านบอกกล่าวสําหรับผู้ประพฤติธปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพระบวชเข้ามาให้ศึกษาอดนอนผ่อนอาหารทําความภาคเปลียนอย่าไปเห็นแก่โม้แก่คุยอย่าไปเห็นแก่การคุกคลี ด้วยหมู่คณะให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาแต่องค์ไหนมีหน้าที่การงานก็วางแนวแถวกันบอกกันคือองค์ที่ไหนที่มาดูงานก็ให้แบ่งแยกกันองค์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ทำกิจวัตรอวัตตามปกติแล้วก็ภาวนานี่แหละอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์พิธีการมาอยู่ที่วัดเพื่อประพฤติปฏิบัติ พาวัดปฏิบัติของเราได้วัดเนี่ยเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เน้นจุดนั้นเราเน้นเรื่องภาวนาเพราะนั้นเรื่องภาวนาคำนี้แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญหนักหนาเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือออกไปจากหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นก็เป็นเรื่องเราต่างๆคือออกจาก พระพระุทธองค์ได้ตัดสรู้ซะก่อนเมื่อเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ได้ประกาศพระศาสนาคือประกาศพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราได้ยินได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนจากพระสงฆ์ พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราก็บอกกล่าวแนะนำกันต่อไปที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติธปฏิบัติได้รับผลมาอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเลือกภาวนาทีนี่แต่ท่านให้กําหนดยังไงอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าเืิกขัดนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้ว หายใจเข้าพดหายใจออกโทให้บังคับนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยป ล, ะล้ะเลยจะให้มันอยู่เฉยเฉไม่ได้แต่เมื่อมันหลงเผล่ไปก็กำหนดเอาติตเข้ามาจับมัยให้มันอยู่กับกําหนดลมหายใจกําหนดตรงไหนที่ปลายจมูกเมื่อลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโทอย่าให้มันคิด ลหลถลายไปทางอื่นให้มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นเ <c oughs> มื่อเรามีความใส่ใจมีความสนใจหรือจิตใจเอาสติบังคับใจของเราที่มันเคลื่อนไหวไหลเลื่อนไปไปมาเนี่ยให้มันเน่งพอจิตใจของเราเน่งเข้าสู่ความสงบแล้วจิตใจเป็นคณิกะอุปจาระอปนาสมาธิเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเราจะเห็นได้ชัดในตัวของเราในเมื่อมันเข้าสู่ความสงบใจของเรามันจะชอบอยู่ในความสงบทีนี้จุดนี้แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญจุดหนึ่งคือเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะไม่เดินวิปัสสนามันจะไม่ยอมออกนี่แหละเราเขี้ยวเข็น ที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิเราเขี้ยวเข็นอย่างไรในเมื่อเราจะเขี้ยวเข็นให้เราเดินวิปัสสนาก็ไม่แพ้กันจุดนี้ให้ดูให้ฟังเอาไว้เราจะเดินออกวิปัสสนาเนี่ยเราต้องพยายามบังคับให้ใจคิดให้ใจพิจารณาให้ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วมันเห็นชัดทำใหเห็นตัวเองชัด ข่านี้เป็นใครเน่เห็นได้ชัดในตนเองเพราะมันผ่านสมาธิมาแล้วถ้าจิตใจยังไม่ผ่านสมาธิมาเนี่ยมันจะไม่ชัดนะมันไม่รู้ตัวไหนเป็นจิตตัวไหนเป็นใจตัวไหนเป็นตัวรู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจยังไม่ผ่านความสงบแต่เมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นอัปปนาสมาธิมามาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจ ตัวน่ะตัวใจนี่ะมาพิจารณากายดูกายของเราลูโคือร่างกายเวทนาคือความเจ็บคือความสวยสุขทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรูปสังขารคือความปรุงแต่งใจคือคือคือตัวนึกคิดเรียกว่าตาเห็นรูปหูยินเสียงกลิ่นจมูกลิ้นริมลิ้นร่างกายสัมผัสอันนี้พวกเราก็รู้ว่าเนี่ย ตาหูจมูกเล่น ก, ลากายใจนี่แหละเป็นทางเดินของกิเลสกิเลสไปเห็นโูกเกิดความพรักโลภหลงหูได้ยินเสียงเกิดราคะโทสะโลภหลงเออทั้งห้าอย่างจนถึงสัมผัสเกิดกิเลสราคะโลภโกรธหลงอันนี้แหะคือเป็นหนทางของใจคือว่าตัวกิเลสมันออกออกไปใน ออกไปเพ่นพลานออกไปเพ่นพานออกไปหากินของกิเลสราคะโทสะโมหะน่นก็คือออกไปทางตาหูจมูกลิอดกายเพราะนั้นพวกเราให้ดูให้รู้ตาไปเห็นรูปมันส่งเข้ามาเป็นยังไงเกิดตรงไหนขึ้นในเมื่อเราพิจนารณาตัดรูปจะสักว่ารูปได้ยินเห็นก็สักวัเห็นไม่ใช่เรามใช่ของเราเห็นแล้วมันได้อะไรมันขุนเคืองยังไง มันดีใจยังไงมันเสียใจยังไงเราสังเกตในเมื่อเราดูทั้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วถ้าได้เราตัดทุนทางตัดทุนทางตัวเนี่ยตัวกิเลสราคาโทสะโมหะโลภโกรธหลงพอตัดเข้ามามันก็จะมีแต่ใจมีแต่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญทีนี้มันก็ยังเอาตัวนี้เน่ยสายไปหาตัวนี้สายไปหาตัวนี้ อมองไปหาต่วนั้นมองไปหาตัวนี้เอผลในสุดมันมองไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จะเอาจุดไหนในได้ดูย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ทีนี่ตัวที่มันส่องสายไปหาที่อื่นดูตัวนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญทีนี่โดยมากมันหลงตัวนี้อีกต่างหากนะหลงใจทีนี่หลงตัวเออวิชชาหรือว่าตัวผู้รู้คือใจตรงนี้น่ะคือตัวอวิชชาทั้งตัวทั้งรุ่นเลยทีนี้ มองมาหาตัวนี้แต่มองมาหาตัวนี้แล้วเอมหันกระบอกปืนเข้ามาหาตวงใจของเราเลยตัวนี้แต่เป็นตัวสําคัญตัวเวียนไหวตายเกิดมีจุดมีต่อมอยู่ที่ใดนั่นแหละพบชาติมันเกิดในจุดนั้นในเมื่อเราพิจารณาถึงจุดนั้นนั่นแหละตัวเนี้ยตัวนี้เป็นอนัตตาอันนี้จางทุกขังอนัตตาไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเนี้ยแหละเป็นตัวใหญ่เป็นตัวการสําคัญ แล้วก็ปล่อยวางจุดนี้นั่นแหละมกมรผลนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงที่รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางเออทีนี้ราคะกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันเป็นทางเดินตาหูจมูกลิ้นกายใจยมันก ร, กระเด็นกระดอนออกมาตัวนี้เป็นตัวบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านสัตาธิโยมทุกคนนะการนั่งสมาธิ ก็บังคับนะการที่จะพิจารณาวิพาสษ์าก็ต้องใช้ปัญญาไต่กันตรองไต่ตรอ ง, บ, งรบังคับลักรู้จักแนวทางรู้จักทางของกิเลสที่มันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากนั้นก่อนเนี่ยมันออกไปจากไหนมันต้องใจของเราเท่านั้นละ่ะที่มันปล่อยออกไปเพราะนั้นให้เราหมุนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อเห็นใจของเราเท่านั้นละ่ะปล่อยวางที่นี่นะ ไม่ได้ปล่อยวางที่ไหนนะมักผลนิพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะนี่แหละวิธีถ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าถ้าอย่างพวกเรานักปฏิบัติกรมรมฐานอย่างพวกเราไม่พูดเรื่องสมาธิปัญญาวิปัสนาแล้วใครจะเป็นคนพูดนะใครจะเป็นคนนํามาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราให้ฟัง ถ้าว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ยังไม่มั่นใจก็ฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอีกอฟังดูซิเป็นยังไงมั่นใจไหมพวกเราคิดว่าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วนะก็ไปแนวแถวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งใจนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องส ะ, สะแสวงหา หาทางพ้นทุกถ้าหากว่าพวกเรายัางไม่พ้นทุกตราบใดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอย่างทำคำสอนท่านบอกว่าวิญญาณเกิดมาจากไหนที่สุดของวิญญาณตรงไหนมองไม่เห็นมองไม่เห็นความสิ้นสุดของวิญญาณนอกจากที่จะเอาตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกรองไตรตองสักกัด กิเลสภายในใจของเราให้หลุดออกไปเมื่อกิเลสหลุดออกไปนั้น่ะเจ็ดใจของเราหยุดหยุดหมุนตามวัฏจักรรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่อมตะความอริสุทธ์หลุดพ้นคือพระนิพพานนี่แหละมีที่สิ้นสุดถ้าว่าพวกเราไม่ได้สกัดแล้วนะ่ะไม่รู้จะเกิดพบไหนพบไหน เกิดได้ทุกภพทุกชาติตกนรกหมกใหม่เป็นเป็ดเป็นสัตว์ที่ไรฉันเป็นคนอยู่ขั้วโลกไหนต่วขั้วโลกไหนสัตว์ที่ไรชันช้างสิงกะงรงกะทิงแรดเสือสิงกระทิงแรดเด็กพบได้เจอได้เจอทั้งหมดนะนะในโลกนี้ดวงวิญญาณของพวกเรามันไปได้ทั้งนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราได้พบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราจะกัดกิเลสออกจากใจทําให้จิตใจบริสุทธิ์แล้วพอหยุดหมุนเวียนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถึงพายในผ่านอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําครับต่อ น, นี้ไปก็นั่งขัดสมาธินาตินีนะฟังธรรมเทศนา อย่างที่หลวงพ่อพูดว่ า, าการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นหลักทำให้จิตใจของพวกเร า, เาฝังลึกในพระพุทธศาสน า, าคือวันที่ทจะเทศที่ว่าที่จะพูดใน MP3 พีาเพราะนั้นขอให้พวกเรานั่งคัดสมาธิฝังนาะทีนี้นะเมื่อนั่งฟังจบลงแล้วก็นั่งต่ออีก จากช่วระยะหนึ่งอากาศมันดีอยู่แล้วนะอากาศเย็นสบายสบายอากาศไม่ร้อนยุงก็ไม่มีนั่งภาวนาสิเรานอนในภพในชาตมาิมามากต่อมากแล้วนัดติดนอนในภพในชาติบัดนี้เราจะถอนออกจากภพชาติตัวสิทำยังไงนะเอานั่งสมาธิ